ตยนจบวันนี้อากาศคืมทั้งวันมาได้เห็นแสงพระอาทิตย์กันหมดวันหนึ่งเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ไแทถึงตอเราไม่ฝึกความรู้สึกตัวไม่เจริญสติ บางทีอาจจะคิดค่าตัวตายเมื่อวานจันญี่ปุ่นก็แทกถึงว่าเออคนญี่ปุ่นนี่ตายกันไปียงหลายคนทีเดียวสามหมื่นห้าพันคนมันเป็นไปได้ยังไงมนุษย์บางทีวันนี้ชีวิตเรามีความผาสุก เราพอจะมีความสะดวกอยู่บ้างแล้วก็ปัญหาอาจจะไม่หมักหนาสาหัสถึงขั้นเดือหมดเรี่ยวหมดแรงไปลยจิตใจของเราจนเหมือนกับว่ามันเกิดความขัดแย้งแล้วอยู่ในโลกนี้ได้ยากรานาจิตระนานี้เลยว่า ศสตรกายหรือว่าศาสตร์นรกหรือว่าเปรตหรือว่าเดรัจฉานมันจะพาไปสู่ภูมิต่ํางทั้งหมดเลยร่างเป็นมนุษย์หรือว่าจิตใจเราไม่ได้เป็นมนุษย์มนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานนอนจะหาเรื่องตายแล้วเกิดใหม่มันจะได้มีร่างกายหรือวรูปอานที่เหมาะสมกานามาทมกับจิตปัญญาณ บางคนก็เกิดมาก็ไม่ค่อยจะสมรกอบสักเท่าไหร่อันนี้เราต้องสร้างบุญเงินก็ไว้คือความดีบุญคือความดีที่ได้มาโดยชอบคิดดีพูดดีทำดีบุญทั้งหลายทั้งปวงอีกอันก็คือต้องเจริญสติให้มากการเจริญสตินั้นรับประกันได้ไม่ตกไปในอบยัยอบัยภูมิภูมิเสื่อม ทุกครั้งที่รู้สึกตัวการสัมผัสรู้ปลุกจิตให้ออกมาอยู่กับโลกปเป็นจริงโลกปัจจุบันกันนะเรารู้กายรู้ใจแต่ละขณะจิตใจนี่ดูยากนิดนึงถ้าดูกายรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้กายรู้กายรู้เนะื้อรู้ตัวนะ่ยง่ายทุกครั้งที่สัมผัสนนะ่ยมันอยู่กับปัจจุบันแล้วจะเพียงแค่ว่า การรับรู้การรลึกรู้มันเป็นการระลึกรู้หรือว่านึกระลึกนึกคิดหรือว่าปรุงแต่งท <c oughs> ําเป็นการสัมผัสรู้มันจะไม่ต้องนึกอะไรเลยไม่ต้องนึกถึงอะไรแล้วก็ไม่องคิดถึงอะไรแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรทํำมจะเป็นอย่างนั้นทํำมจะเป็นอย่างนีน้ทํำมจะเป็นอย่างนู้นเมื่อเหลือแค่สัมผัสมันเหลือแค่รู้สึก มันก็ได้คําตอบทุกๆครั้งคือสัมผัสเคลื่อนไหวมือแต่ละจังหวะพลิกมือค้า้งหนึ่งรู้สึกตัวครั้งหนึ่มันก็มีสติหนึ่งแต้มมันก็กลับคืนสู่สภาพปกติของจิตหนึ่งครั้งเราก็ทําที่หลวงพ่ออาจรยก็เทียบให้วินาทีหนึ่งรู้กลางหนึ่งวินาทีหนึ่งรู้รลางหนึ่งมันเป็น การเคลื่อนไหวและความรู้สึกตัวที่เป็นกลางๆที่ไม่ใช่เร็วหรือว่าช้าเกินไปนะักพอดีพอดีความพอดีก็เรียกว่าความเป็นกลางหรือว่าความสมดุลตรงนี้มันไม่เอียงซ้ายขวาไปทางเพ่งจี้จ้องรวกเหลอไปทางสุขไปทางทุกข์ไปทางโลกธรรมไปทางนมามธรรมเราเคลื่อนแล้วจะเห็นว่ามีความพอดีทําได้เรื่อยๆ แต่บางทีผู้ใหม่ก็เห็นว่ามันมีอาการต่างๆขวางหน้าขวางตาเชญนมีวัฏฏธรรมก็เปรียบเหมือนก็ว่าเราขับรถไปถึงทางด่วนทำไงก็มีด่านกั้นเราก็จ่ายเงินว่านะเวลามันง่วงนะมีวัฏฏธรรม์แล้วก็จ่ายสติให้เข้าไปรู้สึกตัวแแรงขึ้นให้เห็นชัดๆว่าเนี่ยฉันรู้สึกตัวอยู่ฉันมีสติอยู่ความง่วงจะคลายออกไปทันทีให้สังเกต ทุกครั้งที่มีสติมันจะเกิดทําเป็นเครื่องตื่นขึ้นมาภาษาศาสนาเรียกว่าชาลิยานุโยคทําที่เป็นเครื่องตื่นส่วนความง่วงเป็นนิวรธามเป็นไสยศาสเตร์แต่พอมีความรู้สึกตัวเป็นพุทธศาสตร์แก้กันตรงๆเปลี่ยนหลงเป็นรู้พอรู้ว่าหลงกลับมารู้สึกก็เปลี่ยนทันที ตันี้เราปฏิบัติทำปฏิแปลว่ากลับกลับมาหาธรรมชาติหลักของกรรมฐานรูปแบบของกรรมฐานลมหายใจท้องพองยุบอะไรก็ได้แต่เป็นเพระว่าการพลิกมือเราเจตนากระทำํำทำไมเราต้องเจตนาเพาว่าหนามยอ่อหนามบง่งเคยเจตนาคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีเคยไหมเจตนาคิดดีพูดดีทดําดีแล้วเคยไหม เจตนาคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเจตนาใครควรอย่างดีเลยจะพูดเจตนาจะพูดให้เขารู้สึกอะไรเงี้ยเราพูจาคำหยาบส่อเสียดเพื่อเจอโกหกอะไรก็ตามเจตนาเจตนาโกหกนี่เพราะนั้นก็จึงเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมกรรมกรรม็ว่าการกระทำวิบากคือลำบากมันลำบาก มันมีผลได้เกิดความลําบากเราเห็นแล้วอ๋อเวลาปฏิบัติมีบางทีคิดถึงคนชังคิดถึงปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกมันไม่อยากคิดก็คิดในหละของดีการรู้สึกตัวความรู้สึกตัวการเฏิบธรรมนี่มันทําให้เราเห็นว่าอ๋อกาลังคิดอยู่ในหลัของดี แต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่มันคิดแล้วก็หลงเพลอดเ้าไปนี่ไม่ดีกลายเป็นปุถุชนเมเช้าหลวงพ่อท่านก็พูดถึงปุถุชนกาลยาณนปะุถุชนคือมันสูงขึ้นนะนะคนที่มีความรู้สึกตัวนะักาลยาณนปะุถุชนเราใช้กาลยาณธรรมนี่นั่นนะเมื่อก่อนเราใช้กาลยนานมิตรแต่พอเราปฏิบัติมันก็มีธรรมมาเกิดขึ้นมาเราก็ได้เพิ่งกาลยาณธรรมตรงนี้ เองพึ่งตัวเองจนกระทั่มันเป็นลักษณะของอริยธรรมอริยธรรมมาไถึงมันอยู่ในกลุ่มชุมชนแล้วก็ตกลงร่วมกันอันเนี่ยคือความผาสุกถ้าใครทำอย่างนี้ก็ยกย่องให้รางวัลแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ลงโทษแล้วก็เหยียบจมดินมิดไปเลยอันนี้พอหลังจากที่เรามี กะลยาณนะปุถุชนเกิดขึ้นมาหมายถึงว่าเราต่างควรต่างแบ่งปันความดีความงามของกันและกัน <c oughs> มันจะเกิดเป็นอริยธรรมขึ้นมาจนกระทั่งเป็นอริยธรรมอริยธรรมกหมายถึงอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ทุกข์หรอกอรกิคือสัตรวนะ <c oughs> ยะคือห่างไกลระยะ ระยะคือห่างไกลห่างไกลจากศัตรูศัตรูของเราคือกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ความโลรความโกรธความหลงความรักความชังมันเป็นเหตุเอากิเลสมาเป็นความทุกข์แล้วเอากิเลสมาเป็นปัญญาจะเอาแล้วณะของกิเลสมาเป็นโจทย์เพื่อให้สติปัญญาเฉลยจะทํามันผ่านตรงนี้ก็เรียกว่าวิมุตต์วิมุตต์ก็คือมนนันหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นไปเรื่อยๆ หลุดพน้นหลุดพ้นจากอะไรบ้าง <c oughs> ก็หลุดพน้นจากการคิดการปรุงกันแต่งที่ทําให้เกิดการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่ น, นทางกายทางวาจาทางจิตใจเป็นมโนกรรมสามอย่า ง, งนะี้นะวจีกรรมสี่นีมโนกรรมสามวจีกรรมสี่หรือว่ากายกรกรมสามนะซึ่ง มันเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องกลับมาเห็นตัวเองกันมันเกิดที่ความคิดเป็นศูนย์รวมเกิดขึ้นที่จิตใจของเราการที่จิตทิตมันแสดงออน เ, เป็นจุดอ่อนถ้าจะดูให้เห็นความทุกข์ก็ต้องดูให้เห็นจิตจินปกติตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเจอจิตจิตเป็นปกตินะเราต้องเจอจิตทุกจิตที่มันทุก ีจวมีอาการดิ้นรนอาการที่อยู่นิ่งๆได้ยากแล้วก็อาการที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยให้มันคงเส้นคงวาก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกให้มันต่อเนื่องเราสร้างเหตุตรงนี้ขึ้นมาที่เราจิตฝึกได้ฝึกได้นะฝึกอย่างนี้คือฝึกมันให้มันรู้สึกตัว สร้างนิสัยใหม่ให้กับมันมันเคยที่จะหลงเพลอหลงเพล่หลงเพล่หลงเพล่เปรียบเหมือนกับว่าวันนี้เหมันก็บคนงานของเราเนี่ยหลงเพล่กนงานที่ทํางานก่อสร้างหลงเพลอไปกับเหตุที่มันเย้าวยวนจิตเย้านใจอยงานหลักก็คือต้องทํางานก่อสร้างแต่ว่าแทนที่เขาจะทํางานก่อสร้างอย่างนี้ก็จะไม่ได้ทํา ใจก็จะไปอยู่ที่เหตุก็จะไปหาเหตุทันทีอย่างเนี้ยนะก็เปรียบเหมือนกับเราฝึกสติเราพยายามให้ใจของเรามีสติรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการไหวเรียกว่ากายยานุปัสสนะที่ปัฏฐานอะไเนี้ยครนี้อะไรมันเกิดขึ้นมามันชวนให้เรารู้สึกที่ตัวนันเนี้ยก็คือลักษณะของจิตที่มันหลงกับจิตที่มันรู้จิตที่มันรู้คือจิตที่ประกอบด้วยสติ นะมีการสัมผัสมีนิมิตมีเครื่องเกานะเกาะเอาไว้น้ํามันไหลเชี่ยวความคิดมันไหลเชี่ยวอารมณ์มันไหลเชี่ยวนะไม่ไปเกาะหลักเอาไว้ปัจจุบันขณะสัมผัสสัมผัสสัมผั ส, ส, ผสรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามันก็ได้มีความหมายอะไรเราเห็นนะอาการจิตถิงตั้งมั่นเกิดขึ้นมาอย่างเช่นถามหลายคนวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างหลายคนบอกว่าง่วงน้อยลง ก็ถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างความคิดมันก็น้อยลงแล้วก็ถามว่ า, นนว า, ว า, วารู้สึกตัวเป็นไงบ้างรู้สึกตัวได้มากขึ้น ม, มันก็มากขึ้นมันก็บอกตรงๆอยู่แล้วถึงจะมาวันสองวันสามวันมันก็บอกถึงพัฒนาพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นมาว่าเออปฏิวัติธรรมนี่นก็เหมือนกันทุกคนเมื่อเราให้โอกาสแล้วเราก็ใส่ใจกับการเคลื่อนกันไหวอาจิตใส่ใจตามลงไป กระทบสัมผัสรู้สึกแล้วก็เกิดความพอดีสมดุลขึ้นมารู้แบบไม่เพ่งไม่จี้ไม่จ้องเงี้นะรู้แบบไม่เก๊กไม่เกงไม่เกอรไม่เกินไม่กลัวไม่กลัวจะถูกหลอกันนะแล้วก็ไม่เผลอไปตามนิสัยให้ความเคยชินเงี้นะบางทีเราเก็บโทรศัพท์ไว้มันก็อยากโทรศัพท์หาเพื่อนโทรศัพท์หาคนรักหาพ่อหาแม่เงี้นะบางทีมันก็เออ สกิเลเราอยากโทรศัพท์ขอโทรศัพท์บางทีกันนึกถึงนักร่องคนโปรดหรือว่าละครตอนโปรดดาราที่เราชอบหรือว่กากีฬากีฬาโลกที่กําลังแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเราก็นึกถึงเคยชินคุ้นชินกับอะไรมัก็นึกถึงสิ่ง น, นั้นอากาศหนาวนึกถึงร้อนอากาศเย็นนึกถึงร้อนอากาศร้อนนึกถึงเย็น ฝนตกนะยุงชมกนะถึงมุงครอบหรือว่าม้งรั่วอะไรเงี้ยมันก็คืออาการที่จิตมันคิดนะแล้วก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่นักปฏิบัติจะต้องได้สัมผัสทุกครั้งที่กลับมาได้ปัญญามันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, ต น, ต น, ตนสติมันเจริญแล้วก็ว่องไวคล่องตัว มันก็เห็นอารมณ์ธรรมอย่างอย่าไปอ่านละเอียดเห็นอารมณ์บุญเห็นกันบางอย่างถ้าคนเห็นอารมณ์บุญเนี่นาน้ำตาไหลเลยนะเห็นอารมณ์บุญเนี่ยเดินไม่ใช่เดินธรรมดาเจ้นะมันซาบซึ้งอยู่จิตมันคิดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ซาบซึง้งกับเรื่องราวที่เราคิดนะคิดถึงความดีของคนที่เขาเกิดก่อนคิดถึงความดีของพระหลวงพ่อครูบาาจารย์หลวงปู่เทียน รวกจิทั้งหลายทั้งปวงที่เราเ ค, ความเคารพนะอย่าถทำมาหรือกระผมเนีนึกถึงหลวงปู่แหวนเป็นประจำหลวงปู่แหวนนะี่ยเป็นพระรูปแรกที่แหวนคอไวนะ้ถ้าเป็นเรื่องการทหารเนี่ยนึกถึงกลมหลวงชุมพรแครดุลมศักดิ์เป็นเหรียญบุคคลเหรียญแร ก, กันที่ห้อยคอมันก็จะมีภาพเหมาบุคคลเหล่านี้นะทำให้เกิดวันนี้ของเราขึ้นมา ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเรียบร้อยนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์นั่นแหละที่มีความดีเสร็จแล้วทำให้มีวันนี้ขึ้นมาพระราชาหรือกระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เป็นพุทธมามะกะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกเราคิดถึงเรื่องนี้เราเกิดปิติขึ้นนะคิดถึงลองรอยความดีของพ่อเราของแม่เราของเพื่อนเราของหลายๆคน คนมันก็นลุกสู้ขึ้นมาจากการคิดประเภทแบบนี้มันพิจิตรใจบางทีมันก็เกิดวิธีคิดต่างๆมากมายแล้วกันมันก็น่าอัศจรรย์นนะเวลาปฏิบัติธรรมสิ่งที่ชวนให้เรารู้ก็มีสิ่งที่ชวนให้เราหลงก็มีล้กันเนียนมากบางทีมันมาในรูป้อยของบาปอาคุศล สิ่งที่เราเคยทํามาแล้วในอดีตเป็นความไม่ดีไม่งามทั้งหลายทะเลาะบบาแวงโมไรไายอย่างเงี้ยนะบางทีก็มีความหดหู่เหี่ยวแห้งหรือว่าเหงาทุกๆอารมณ์ก็จะแสดงปรากฏออกมาความหึงหว ง, ห, ว ง, ห, ว ง, ห, วงห่วงหาหืนหิวโหวยกลุ่มปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันก็แสดงออกมาเป็นรูปรอยของอารมณ์แล้อ ว, ว่าความคิดนี่เราก็รู้แล้วรู้อีก รู้สึกตัวนั่นแหละไม่ห้ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ห้ามความคิดไม่คิดว่าเออทาไมมันต้องเกิดมาไปลังเลสงสัยมันทําไมมันเกิดมามันเกิดมาทําไมเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยกรรมฐานเบื้องต้นเป็นอย่างนี้จริงๆริแต่กําลังของสติมีน้อยมีน้อยมันก็ไหลไหลไปตามความสุขทางตาบ้างทางหูบ้า ง, า ง, มงจมกูกลิ้นกายใจนะ มันมาอยู่ที่นี่มันก็อิสระภาพพอสมควรมันก็มีความสุขมากมายรอบๆตัวตอนตื่นยันหลับบางทีดูแสงพระที่ก็มีความสุขอย่างเช่นวันนี้หมอกลงมาอู้มันลอยตามยอดไม้อากาศเย็นสบายหลังกินข้าวเช้าหลังรับประทานข้าวเช้าหลังขัดจานข้าวเช้ามันรื่นเริงทีเดียวจิตใจมันรื่นเริงกับธรรมชาติจัดสาราสิ่งต่างๆก็คือธรรมะนั่นแหละ เราเห็นปากรากฏการณ์ทางด้านอารมณ์มันสดแสดงออกมาในตัวเรามันไม่เคยเห็นก็เห็นเรามื่เห็นด้วยความสุขนําเปรียบเหมือนกับเหยื่อที่กิเลสมันเหมือนเบ็ดมันเกี่ยวไว้มันให้รางวัลเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะ่ยแต่เบื้องหลังมีความทุกข์มาโวลานตามมาเรียกว่าหลงพบหลงชาติทีเดียวหลงชาติถ้าหลงเนื้อลืมตัวเหมือนบัวลืมตีน หลงผัวก็ลืมพ่อหลงเมียก็ลืมแม่นะหลงทรัพย์หลงกามกินเกียจนะก็เรียกว่าลืมกำเนิดของตัวเองได้เราก็จึงเห็นนะเวลามันคิดขึ้นมานะมันคิดมันจะเป็นคิดแบบไหนก็ตามก็มีค่าเท่ากันคิดดีคิดไม่ดีมีค่าเท่ากันถ้าเราไปชอบอารมณ์ความสุขปะเดียวมันก็งับไปเยือ เขาลาะไว้้เบื้องหลังก็คือเงือกฉีกโดนกระตุกทีเดียวเบ็ดเกี่ยวปากเจ็บปวดก็เรีย้ทปาถนาสุกเจอทุกทันทีดีใจยิ้มหัวเลาะดังเท่าไหร่เดี๋ยวก็ร้องไห้ดังเท่านั้นนะมันมาคู่กันเราก็จึงได้เห็นทุกครั้งที่เราสัมผัสกระทบรู้สึกอะไรที่มันแอบแฝงมาแล้วก็สอนเป็นปัจจุบันเหมือนกันแลหละนะว่าเป็นอาการที่เราไม่ได้ตั้งใจ เป็นในการที่เราไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยเราใส่ลงไปทุกครั้งเบื้องต้นเคลื่อนไหวนี่เจตนาหนามยอ่อหนามบง่งเคยเจตนาคิดพูดทำํำดีไม่ดี น, นี้เจตนาทํากรรมฐานทันทีมันเคยไหลไปเป็นกำหนดตอนนี้เรากลับมากําหนดทันทีมันเคยคิดไหลไปขนาดไหนก็ตามตอนนี้กลับมากลับมากลับมาเท่าที่มันจะกลับได้มันจะเป็ น, นหน้ามหนักกัน รู้นะแบบเหมือนกับจิตถูบังคับนิดนิดมันจะแข็งแข็งนิดนิดนาตาแล้วก็จะแข็งแข็งเกย า, าการยกไม้ยกมือหรือเดินตรกลมจะแข็งแข็งนิดนิดแต่พอเราทําไปทําไปทําไปมันเกิดอาการที่เรากลมกล่อมขึ้นมากลมเกลืนขึ้นมานเ <c oughs> มันก็จะมีความสึกสะดวกทําได้เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกรื่นเริงกับการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกตัว การเคื่อนกันกไว้แต่ละขณะและจิตมันเกิดความพอดีสมดุลเนี่ยมันจะมีตัวรื่นเริงเกิดขึ้นมาทําแล้วมันเหมือนก็ได้อารมณ์ปฏิบัติจะรู้สึกผ่อนคลายเลยนะปฏิบัติเนี่ยเราจะทําได้เรื่อยๆขณะหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งขณะหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งได้เรื่อยๆแล้วเหมือนกับชั่วโมงชั่วโมงมันหมดไปไวมากเลยนะมันไม่ช้ามันจะมีรื่ะของปิติเกิดขึ้นมาอ่อนๆหรือว่าความสงบเกิดขึ้นมา เป็นอารมณ์ที่ชวนปฏิบัติอารมณ์เหล่านี้ทําให้เกิดความขยันขึ้นมาเราก็จะไม่ขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจขี้ค้านปฏิบัติทำกันความขี้เกียจนี่มันก็ทําให้เกิดการบิดขี้เกียจขึ้นมาอย่างวันนี้สังเกตเห็นบังคมพอเดินไปที่ห้องน้ําไปบิดขี้เกียจซ้ายทีนึงขวาทีนึ่งเราก็เหมือนกันเออเกิดการผ่อนคลายนกระแซงว่ามันมีอาการขี้เกียจเกิดขึ้นมแเราก็สังเกตได้ แล้เราก็เหมือนกันอไปช่วยเหลือก็หน่อยหนึงอย่างจะกระทั่งรู้สึกว่าสบายเนี่ยสบายตัวกลับมาเดินได้ใหม่อย่างเนี้ยนะ <c oughs> ถ้าขี้เกียจทุกนี่ดีมีสติเห็นว่ามันขี้เกียจทุกเนี่ยดีขยันหลงนี่ไม่ดีถ้ามีสติมันรู้ว่าขยันรู้เนี่ยดีขยันหลงนี่ไม่ดีขี้เกียจทุกข์นี่อันนี้ดีแต่ถ้าหากว่าขี้เกียจปฏิบัติอันนี้ไม่ดี คนที่ขี้เกียจมากที่สุดนะเนี่ยที่ชายภูมิยุคนก็ชื่อตะเลินตะเลินเน่ยจอมขี้เกียจขออนุญาตเล่านิดหนึ่งคนนี้มีตัวมีตนอยู่ที่หมู่บ้านพลังตีนเขานะก็เขาได้ตายไปแล้วจะพูดถึงเขานี่นีน่เอามาเป็นครูตะเลินอายุก็ห้สิเศษเศษแต่ว่าเขาเป็นคนขี้เกียจประจําตําบลเลยขี้เกียจยังไงก็คือเวลาฝนตก แล้วก็ไฟป่ามันเข้าหลังจากนั้นฝนตกต้นไผ่มันจะแตกแขนงล้ว น, น่าฝนมันก็จะมีหน่อไม้เกิดขึ้นมาเมียก็จะไปเก็บหน่อไม้ก็จะเอาตเตลเอินไปเป็ น, เ พ, นเพื่อนด้วยช่วยเก็บหน่อไม้แต่ว่าด้วยความขี้เกียจเตลเอินก็แค่เดินตามไปเฉยๆสูบุหรีไล่ยุงปุ๋ยปุ๋ยไปถึงก็นั่งมองเมียาหักหน่อไม้เมียาหักหน่อไม้เสร็จกเ็เผาหน่อไม้ตเตลเอินก็นั่งมอง ม้วนกั น, นอนตื่นกันมากระโดดบุหรี่แล้วก็ดูเมียเก็บหน่อไม้เมียก็มัดหน่อไม้เรียบร้อยก็หาบกลับบ้านตะเอิญก็เดินตามเฉยเสูบุหรี่ปุ๋ยป๋ยกลับบ้านขี้เกียจไหมขี้เกียจไหมหน้าแรงเมียไปวิทย์ปลาตะเอิญก็นั่งดูในร่มไม้เมียก็วิทไปก้ามโตเลยตะเลิญก็ดูบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยเขาเล่าก็อย่างนี้จรินะคราวนี้ตลเอิน่ย อยู่มาหนึ่งเมียไปเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อไม้ปลูกบ้านซื้อไม้นะจ้างคนตัดไม้นะปลูกครั้ น, นี้มันปลูกไม่เสร็จหลังคาสังกสีมันยังไม่ได้มุงเมียก็ไปเกี่ยวข้าวอีกครันนี้ไปนานนิดหนึ่งสังกะสีแพงเนี่ยก็ต้องเก็บเงนินกลับมาได้สังกสีมาไม่เห็นบ้านของตัวเองเอ้อมไปไหนอ่ะเนี่ยไม้ทั้งหลัง ปกอบตลินนะหรือแล้เอาไม้ไปขายเอาเงินไปเล่น Hello, เฮโลเสียหมดเลยอนะเมียก็เลยบอกว่าอ่ะต่างคนนี่ไปต่างคนต่างอยู่จเจ้าสองกรนะสีไปมงุงทําเถียงนาอยู่ที่นาส่วนตะเลินเนะี่ยไม่ให้อยู่ก็ต้องปไปอาศัยอยู่กับลูกชายเดิมทีก็อยู่กับลูกชายนะนะครนี้เมื่ออยู่กับลูกสะพ้ลูกสะพ้ก็ต้องดูแล เอาข้าวเอาน้ำมาแล้วก็ให้ตเตือนกินตเตือนกินเสร็จก็นอนแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็กินมื้อเพลิแล้วก็นอนอย่างนี้เราก็อาหารเย็นเป็นอย่างเงี้ยคราวนี้ตอนหลังก็เป็นอัมพาตอัมพาตเนื่องจากไม่ได้เคลื่อนไหวมากไม่ได้ขยันทํางานทําการใครเลือกนิ่งมากเดี๋ยวเป็นอัม พ, มพาตทีนี้ตเตลินก็ถัดลงมากินข้าวลูกสะพ้ก็บอกว่าไม่ต้องหรอพ่อเดี๋ยว จะาไม่ให้ถึงที่นอนเลยยิงไปกระยิบเลยกันนี้ก็ดีกระเดี่ยวไปไหนไม่ได้เลยกนันนะี้กินอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายปัสสาวะอุจจาระอยู่ตรงนั้นเลยเหม็นคลุ้งไม่หมดเลยนะลูกสะพยก็ดีแสนดีนะก็ไปช่วยล้างเนื้อล้างตัวใหนะ้อยู่มาวันนึงตเลิรนเป็นอัมพฤกอัมพาตกเฉพาะแขนเฉพาะขาแต่ว่าบางส่วนไม่ได้เป็นอัมพาตนะมันก็แสดงออกลูกสะพ้ยก็ตกใจนะ ตัต้นั้นมาก็เลยไม่ไปดูพ่อผัวเลยก็คือรู้แล้วว่าพ่อผัวเนี่ยคิดอะไรอยู่ลูกชายเดือดร้อนมากดูพ่ออยู่ได้ไม่กี่วันก็ไปตามแม่มาบอกแม่มาดูพ่อหน่อยในฐานะที่เคยอยู่ด้วยกันก็เห็นว่าเป็นเพื่อนตาดำดำมนุษย์ตาดํา ๆ, ๆก็ช่วยเหลือกันก็เล่ากันว่าวิธีที่ผัวเมียที่เขาเลิกกันก็ดูแลกันก็คือตัวเมียเน่ะ ก็ามาก็จะตักน้ำใส่ถังแล้วก็สาดโครมเลเหมืนอนล้างเล้าหมูอาบน้ำให้หมูเสร็จแล้วก็ล้างทั้งบ้านล้างทั้งตัวตเตลเินขัดเพราะตรงนั้นมันจกระปกมากทั้งอุดจะล้างอุดปัสวะมันมันเหม็นขาวกรุงไปหมดเลยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยตเตลเินแกตายวันที่ตายเนี่ยแกนั่งพิงต้นเสาตาย โรงพยาบาลใจภูมิก็ามาชนะสูตรพิษศพก็บอกว่าหัวใจล้มแลว้วแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ชนสูตรพิษศพก็เป็นการส่วนฐานของชาบ้านก็คือต ALER นะเขาขี้เกียจหายใจตายก่อนขี้เกียจของเขา่ขี้เกียจหายใจตายแล้วก็ผีต a l e ญนะเป็นศพที่พอเผาเสร็จแนละ้วไม่มีใครกลัวแหละบอกต ALER น, นะขี้เกียจลุกขึ้นมาหลอกเป็นผีก็ยังขี้เกียจเพราะงั้นนะเราก็โอ้มขนาดเนี้ยตายยังเสียผีในะคนขี้เกียจนะโอ้โห วันนี้สังเกตได้ถ้าใครดอนวิญญาณตรเรินเข้าสิงคอตกทุกคนนั่งเพียงเสาคอครับนะจ้ามาไม่มวิญญาณตะเรินเข้าสิงเ น, นี่ย ว, นะ ว, ว, นะวันนั้นขี้เกียจนะดีถ้าขี้เกียจที่จะทําให้คนอื่นทุกข์เพราะเราเราขี้เกียจนะเรื่องความจนเีนะ้ยนมันเบื่อแล้วนะเราจะได้หันมาสนใจขยันปฏิบัติธรรมกันนะทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะรู้สึกตัวแต่ละขณะขาตาลอนมันเป็นไปได้อีกย่างหนึ จิตมันปกติเนี่ยเราก็ได้เห็นเออทุกครั้งที่จิตปกติมันก็อยู่กับปัจจุบันดีดิโลงความเป็นจริงเห็นอะไรมันก็โอ้มันรื่นเลิงนะมันมีความสุขนะแล้วมันก็เห็นหน้าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆบริสุทธิ์จริงๆถ้าเป็นสุขก็เป็นบุญนะที่ได้มาโดยชอบความสุขที่ได้มาโดยชอบก็เรียกว่าบุญเราก็ต่อย่อเป็นกุศลเป็นความฉลาดเออวันนี้มันเป็นอย่างนี้วันหน้ามันก็เปลี่ยนไป ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรวันนี้มันเย็นดีอากาศมันดีพรุ่งนี้มาจะร้อนก็ได้ยเี้มื่อถึงเวลาร้อนยังก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อนเดี๋ยวก็มีเย็นเย็นเดี๋ยวก็มีร้อนเพราะฉนั้นเวลามันตึงก็ตึงพื่อจหย่อนมันหย่อนก็หย่อนเพื่อยะตึงอย่างงี้นะมันมันเครียดมันเพ่งมันจี้มันจ้องอระกลายเดี๋ยวมันก็สบายสบายมากเดี๋ยวมันติดสุขมันเปื้อนเดี๋ยวมันก็กลับมาผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวก็เจอพอดีเหมือนกัน มาเจอความพอดีอยงนี้มันก็สนุกปฏิบัติทำนะทาได้เรื่อยๆในอารมณ์ปฏิบัติมันก็เป็นไปได้เหมือนกันการไปทำมรรคผลนิพพานมรรคก็คือทางเดินนะนะคือทางเดินของจิตเราทางเดินของร่างกายเราเเราเดินทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เหยียบย่าอย่างทางเดินแนตะ่เส้นเนี้ยมา่ก่อนมียาลกเลยนะยาลก รถลากไม้สมัยก่อนมาขนไม้เป็นทางลากไม้แล้วก็มียญ้าคาขึ้นลกอัดมาก็เดินทุกวันเลยมาก่อนเส้นนี้ไม่ใค่เดินหรอกอันว่าก็เดินเดินมีรอยเท้าเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดี๋ยวนี้เป็นล่องแต่ตอนหลังมันก็เป็นทางอย่างทุกวันนี้ที่เราเห็นๆกันเนี่ยทางนี้กัเหมือนกันเมื่อก่อนปลายหญาคาอันว่าก็เดินอยู่รูปเดียวนะปกตินะหลังจากออกรรษามีพายอยู่อาจารย์ยุกิไปญี่ปุ่น นกนะ็จะเดินอยู่แถวนี้มีสวนมะม่วงสวนสะท้อนชอบมนาะเดินเดินก็เริ่มมีรอยมีรอยมีรอยจนทั้งทุกวันนี้ก็เป็นรอยหินลาดลาดปูนซีเมนต์อยู่ข้างหน้าถนนวิ่งได้เมื่อก่อนเส้นทางวันนี้ไม่มีตัดใหม่ที่หลังทั้งหมดนะนะก็เหมือนกับว่าในจิตในใจของเรานะ่มันมีความคิดมันรกอนะมันหมกมุน่นฟุ้งซ่าน เสร็จแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกย่ําไปย่ําไปย่าไปย่ําไปเดี๋ยวมันจะมีรอยขึ้นมารอยในจิตคือรอยของความเป็นปกตินี่ น, นะเปรียบเหมือนกับโยนกระสอบทรายลงในน้ํำโยนกระสอบทรายลงไปโยนไปโยนไปโยนไปโยนจนเป็นเข <Toby. S 1> ื่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีไม่ปรากฏนะรู้สึกว่าจิตไม่ปกติทําต่อไปทําต่อไป uyorsun? อันนี้เป็นความเพียรเปรียบเหมือนกับว่าโบราณนะท่านเปรียบเหมือนกับว่า 1 0 0ปีทิพเทวดาข่อลงมานะแล้วก็เอาผ้าแพรชั้นดีนะปัดภูเขาจิลาแท่งทึบนะเขาบาสูเมนนะแล้วก็ล่าเป็นหน้ากองชัยร้อนยะปีทิงขอมาทีล้ผ้าแพรสะบัดแล้วก็ไปเจ้าทั้งมันล่าเป็นหน้ากองชัยแสดงต้องใช้ความเพียรสูงนะอันนี้เปรียบเหมือนกับการปฏิวัติธรรมของเราการเจริญสติฝึกสติต้องมีความเพียรสูง ใส่ใจลงไปแล้วก็สังเกตขณะต่อขณะสิ่งใดอารมณ์อะไรที่มันซ้อนซ้อนขึ้นมานะของดีเลยมันเป็นตัวรองกําลังของสติของสมาธิปัญญาเป็นตัวทําให้เราได้เห็นตัวเราชัดเจนเห็นร่องรอยของจิตใจของเราชัดเจนนะเย็นนี้ก็พูดให้ฟังนะถึงเรื่องอที่เรากําลังทํากันอยู่ในวันนี้เนี่ยแหละเรื่องการปฏิบัติการจริตสติฝึกไปเรื่อยๆ มีความอดทนอดกันมีความเพียรลงไปมีการสังเกตลงไปเริ่รู้จักประมาณในการนั่งในการเดินในการยืนการนอนแต่พอดีให้พอดีเราไม่ได้ทำเพื่อให้มันเกิดความสบายแต่ว่าเราทําเพื่อให้มันเกิดความสะดวกสะดวกในการที่จะประคับประคองตัวเองให้มันรอดไปวันๆมาอยู่ที่นี่เราทํำไปวันๆทํำไปขนา ด, น, า ด, น, าดนึ่งขนาดนึงไม่หวังว่าทําแล้วจะได้อะไรไ ม, ไม่คิดว่า ต่ำ ม, มาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะนะความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วสิ่งนี่้ปรากฏมาทุกๆุกขณะของจิตเป็นอารมณ์ทำต่างๆทำอารมณ์ต่าง ๆ, ๆก็คือสภาพธรรมที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างถูกต้องก็คือกลับมารู้สึกที่ฐานกายก่อนเจนสติขะโตทำ ม, มัจะจัดสรรเองอะไรคือสติอะไรคือศีลอะไรคือสมาธิอะไรคือปัญญาอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือมรรคตนิพพาน ก็จะจัดสรรให้เราเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเลยล่ะอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเป็นเทคนิคของรัทปุตเตียนเลยประเดี๋ยวถ้ามันจะรู้กับรู้มันเองไม่อยากเห็นก็เห็นไม่อยากเป็นก็เป็นเป็นไปได้เรื่องพวกนี้เหมือนกระสีไฟไฟมันจะร้อนแล้วก็เกิดประกายไฟตอนไหนเรื่องของมันหน้าที่สีให้พอดีเนี่ยแล้วก็ขยันสีให้ต่อเนื่องเรื่องของเราอย่างนี้นะ อ่าวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ธรรมะนะที่เรากําลังได้ปฏิบัติกันหรือ ว, ว่าเรื่องการเจารติก็ให้เป็นผลของการฝึกหาสตินะจากการกระทําของใครของเรากันจนทั้งเหมือนกับว่ามันมีผลตามสมควรแก่การปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนจนทั้งเหมือนกับว่า ไม่เคยสัมผัสความสุขนะก็ได้เกิดสัมผัสกับความสุขเราไม่เคยเห็นว่าเออความสมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ได้เห็นว่าความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะทั้งเห็นความทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะตั้งเห็นที่สแห่งของทุกข์เนะี่ยก็ขอให้ปรากฏบ่อยๆจะทั้งสามารถที่เข้าถึงนะมรรคผลนิพพานนะในวันชาตินี้โดยทุนักการทุกคนทุกท่านเถิด